ใครดูเข้าตากรรมการหน่ยรู้สึกเป็นแล้วก็รู้สึกเรื่อยๆนี่เป็นตัวอย่างของคนที่เรียนช้าช้าระดับแชมป์เลยสุดท้ายหลวงพ่อใช้ไม้ตายในการสอนใช้ดาว ด่าประจาย์ต่อหน้าทาละกำนันและผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่วันที่ถูกด่าก็ภาวนาเป็นเลยนี่ฝีมือนะฝีมือในการด่าบางคนด่าไม่ได้โมโหเริ่มผิดแล้วดูออกปะออความยากของการปฏิบัติก็คือ ทำยังไงจิตเราจะตื่นตัวขึ้นมามีความสงบมีความตั้งมั่นพร้อมที่จะเดินปัญญางินการยากยากที่สุดอยู่ตรงนี้การเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาอย่างพระมาะอยู่กับหลวงพ่อนะพระบวดเข้ามาวันแรกเนะี่ยสิ่งที่เรียนคือพระวินัย เราเรียนเรื่องวินัยก่อนถัดจากนั้นก็จะเริ่มเรียนการปฏิบัติเป้าหมายแรกคือภาวะแห่งความตื่นจิตตื่นขึ้นมามีสมาธิที่ถูกต้องหลุดออกจากโลกของความคิดอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวพอหลุดออกจากโลกของความคิดรู้สึกตัวได้แล้วงานต่อไปก็คือแยกขัน เห็นขันมันทำงานของมันไปจิตเราเป็นคนดูพอแยกขันได้แล้วงานต่อไปก็คือการมองไตรลักษณ์ของขันแต่ละตัวนะไม่ใช่มองภาพรวมของขันนะมองสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวอย่างโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหูสุขทุกข์อะพวกนี้เป็นสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัว หรือรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนะรูปหายใจออกรูปหายใจเข้านี่เป็นสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวอย่างเวลาเราดูรูปนะรูปแท้ๆคือธาตุดินน้ำไฟลมดูยากนะถ้าไม่ทรงฌานจริงๆดูลำบากกว่าจะแยกดินน้ำไฟลมได้ลำบากอย่างใน น้ำลายเงี้ยในน้ำลายมีธาตุดินด้วยมีธาตุไฟมีธาตุลมในผมเส้นเดียวก็มีดินน้ำไฟลมงั้นตัวธาตุจริงๆเนี่ยดูยากมากพระพุทธเจ้าก็ลดระดับธรรมะลงมาถ้าให้เราดูตัวธาตุตรงๆเนี้ยดูไม่ไหวก็ลดกรรมาฐานให้ง่ายขึ้น แทนที่จะต้องดูถึงรูปที่แท้จริงคือธาตุดินน้ำไฟลมนะมาดูรูปข้างเฉียงเป็นผลผลิตของดินน้ำไฟลมอย่างรูปที่หายใจออกรูปที่หายใจเข้ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ใช่รูปแท้ๆไม่ใช่รูปแท้ๆเป็นรูปที่เคลื่อนไหวแต่มันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะธาตุดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นมามันจะทำงานขึ้นมา งันดูรูปถึงระดับของธาตุเนี่ยดูไม่ไหวท่านก็ลดลงมาดูรูปหายใจออกหายใจเข้าเรียกว่าอานาปานสติดูรูปยืนเดินนั่งนอ น, นเรียกว่าอิริยาบถดูรูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งเรียกว่าสัมปชัญญะเคลื่อนไหวหยุดนิ่งมีความรู้สึกไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่ามีสัมปชัญญะเนี่ยลดระดับลงมา ส่วนตัวนมามธรรมนั้นมันดูง่ายมันดูง่ายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เด็กเล็กๆมันก็รู้จักอาจจะเรียกชื่อไม่เป็นแต่ว่ามันรู้จักบางวันก็มีความสุขบางวันก็มีความทุกข์บางวันมีสังขารนะดูสังขารจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตไม่โลภจิตไม่โกรธจิตไม่หลงนี่เป็นตัวสังขาร งี้ยเวลาเราดูนามธรรมนะไม่ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะจิตใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตใจเรามีความทุกรู้ว่ามีความทุกขจิตใจเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็ง่ายๆแค่นี้เองไม่ต้องมานยาไหนดูซิจิตมีความสุขหรื อ, อยังนะอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเรื่องมากเด็กเล็กๆมันยังดูเป็นเลย มันมีความสุขมันก็รู้มันมีความทุกข์มันก็รู้ไม่เห็นจะยุ่งยากอะไรเลยจิตสงบกับจิตฟุ้งซ่านแยกออกเป็นไหมวันไหนสงบวันไหนฟุ้งซ่านดูออกไหมแต่ละวันสงบฟุ้งซ่านไม่เท่ากันในวันเดียวกันเช้าสายบ่ายเย็นก็สงบฟุ้งซ่านไม่เท่ากันบางทีก็สงบบางทีก็ฟุ้งซ่านไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลย เป็นเรื่องที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเนี่รู้ด้วยใจใจเราสงบก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ใจเราสุขใจเราทุกข์ก็รู้ใจโกรธขึ้นมาใจไม่โกรธก็รู้นีเป็นคู่คู่ไปใจโลภขึ้นมาใจหายโลภรู้เนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆหัดดูสภาวะไปแล้วสภาวะทั้งหมดนั่นแหละจะสอนธรรมะเรา ร่างกายที่หายใจออกก็สอนธรรมะเรานะว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราที่แท้ จ, จริงเป็นวัต ถ, ถุเป็นก้อนธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชั่วคราวถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนให้โลกไปคืนเจ้าของร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็ไม่ใช่ตัวเราของเรานะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเริ่มถูกความทุกข์บีบคั้นก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้เห็นร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ เห็นร่างกายไม่เที่ยงรูปที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวก็ดับไปเกิดรูปที่หายใจเข้ารูปหายใจเข้าอยู่ชั่วคราวก็ดับไปเกิดรูปหายใจออกอย่างนี้ก็ได้หรือเราเคลื่อนไหวเราหยุดนิ่งนรู้สึกเลยตัวที่เคลื่อนไหวตัวที่หยุดนิ่งไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นวัตถุเป็นแค่วัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งทางานเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ได้เห็นอนัตตา เงินดูรูปก็ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูนามธรรมก็ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นความจริงนะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเรียกว่าเราทําวิปัสสนาอยู่ทําวิปัสสนากรรมฐานอยู่ถ้าลําพังเห็นรูปประธรรมเห็นนามธรรมเนี่ยยังเป็นสมถะนะต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมถึงจะเป็นวิปัสสนา เหไหมการเริ่มต้นภาวนานะเริ่มต้นจริงๆเลยพื้นฐานเลยต้องถือศีลอย่างน้อยศีลห้าต้องมีถ้าศีลดังพ้อยเนี่ยสมาธิจะเสื่อมฟุ้งซ่านเงินะ ร, รักษาศีลห้าข้อไว้ก่อนแค่ห้าข้อพอไม่ต้องถืออะไรมากมายหรอกศนะีนในองค์มรรคจริงๆมีอยู่ไม่กี่ตัวเองสัมมาวาจาเห็นไหมนี่คือศีลข้อ 4. สี่สัมมารกรรมตะเนี่ยคือศีลข้อหนึ่งสองสาม รวมแล้วสี่ตัวนะส่วนในสุราเนะเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญนะนั้นไงในตัวที่ควบคุมจริงๆนะเอที่ต้องรักษาจริงๆนะ่คือศีลข้อหนึ่งสองสามสี่นะสติสัมปชัญญะเนี่ยมันช่วยให้เรารักษาศีลข้อหนึ่งสองสามสี่ได้ง่ายขึ้นนะันเป็นตัวช่วยเนี่ยท่านแรกเลยถือศีลห้าไว้ก่อน ตั้งใจรักษายังรักษาไม่ได้ก็รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่มันไม่ถูกให้ทำ ท, ทั้งที่รู้ว่ า, วามันไม่ถูกดีกว่าทำโดยหลงผิดว่าถูกอย่างสมมติว่าเราบ้านเราพ่อแม่เราอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงกุ้งนะหรือเลี้ยงปลาไว้ขายถ้าเราคิดนะว่าอาชีพนี้มันทำบาป ไม่ช่วยพ่อช่วยแม่นะ่ะมันก็ผิดหน้าที่ของลูกนะแล้วจะช่วยยังไงให้บาปน้อยถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ถูกนะแต่มันจำเป็นต้องทำเพราะมีหน้าที่ต้องทำนะบาปเนียจะไม่แรงมากนะเพราะว่าไม่ประกอบด้วยมิจฉาทิฐินะแต่ถ้าพ่อแม่เราเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเรารู้สึกว่านี่ดีไม่มีความผิดอะไรหรอกเพราะว่าไม่ผิดกฎหมาย อนนี้ไม่รู้ผิดชอบช่วยดีนี่เป็นโมหะนะเพราะงั้นเป็นเป็นโทษที่แรงกว่าคนที่ทําผิดท า, ทางทางที่รู้ว่ามันผิดไม่ได้เต็มใจจะทําทแต่ว่าจําเป็นต้องทำเ น, นี่ยก็รู้จักนะอย่างเราจําเป็นต้องช่วยพ่อช่วยแม่เราก็วางใจว่าเราช่วยพ่อช่วยแม่เราเลี้ยงกุ้งนะเราทําเพื่อโทษแทนบุญคุณพ่อแม่นไม่ใช่ทําเพื่อว่าจะเลี้ยงกุ้งแล้วเอาไปฆ่าทิ้งหรือเอาไป ขายให้เขาค่าถ้าทุกวันก็คอยมองโตได้ที่ยังจะเรียกบอพ่อค้ามาซื้ออะไรเงี้ยออย่างนี้เต็มๆเลยนะเจตนาแต่วางจิตให้ถูกซะแล้วมันจะผิดน้อยลงความรุนแรงของกรรมเนี่ยจะลดลงทำไมกรรมมันลดลงทั้งๆ ท, งที่มันก็เลี้ยงกุ้งเอาไปขายเหมือนๆกันเพราะคนหนึ่งรู้จักผิดชอบชั่วดี อีกคนหนึ่งประกอบด้วยโมหะไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีพวกจิตที่ประกอบด้วยโมหะนี่มีโทษมากที่สุดเราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้นะเราพยายามรักษาศีลเราด้วยสติด้วยปัญญยายก็จะรักษาได้ง่ายขึ้นได้สะอาดหมดจดมากขึ้นนอกจากรักษาศีล น, นะก็ภาวนาขั้นแรกเลยหัดรู้สึกตัวเพราะว่าการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ตัวเอง ถ้าเราใจลอยมีกายลืมกายมีใจลืมใจมันก็ปฏิบัติไม่ได้นะเพราะฉะั้นงานแรกสําหรับการปฏิบัติทางใจเราฝึกรู้สึกตัวนะงานที่แวดล้อมเราที่เป็นพื้นฐานก็คือรักษาศีลไว้แล้วก็หัดรู้สึกตัวเรื่อยๆอย่าใจลอยบางคนนั้รู้สึกใจลอยไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยเพลินดีเนี่ยจิตประกอบด้วยโมหะอีกแล้วนะโมหะมันครอบงํา งะอย่าเอาแต่เพลินดีนะเพลินไม่ดีหรอกเพลินแล้วหลงเวลานอนหลับใครยังฝันร้ายอยู่ใครยังนอนหลับฝันร้ายยกมือซนะิยังมีโอกาสไปทุกขตินะพอเวลาจะตายเนี่ยนิมิตมันจะเกิดแล้วสติมันทำงานไม่ทันฝันร้ายแล้วกลัวฝันร้ายแล้วโกรธฝันร้ายแล้วโลภฝันร้ายแล้วมีราคะอะไรเงี้ยฝันไปแล้วก็เกิดกิเลส แล้วจิตถูกกิเลสย้อมนะเวลาตายมันคือเกิดนิมิตนะแล้วกิเลสย้อมใจได้ขนาดนั้นก็เสร็จเลยไปไหนไม่รอดแล้วไปอาบายอย่างเดียวงั้นเรายังประมานไม่ได้นะถ้ายังนอนฝันร้ายอยู่จะต้องภาวนาให้มากๆมีสติให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไปนะพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วต่อไปก็ดูกายส่วนกายใจส่วนใจค่อยๆแยกขันนะ พอจำไหวไหมนะถือศีลห้าไว้ก่อนแล้วก็ฝึกความรู้สึกตัวอย่าให้ใจล่องลอยหนีไปแล้วอย่าไปเพ่งเอาไว้ให้นิ่งๆนะเพ่งแล้วรู้สึกไหมอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะใจลอยไปก็เพ่งเอาไว้ครู่นี้ต้องจัดการให้ผ่านให้ได้เจนกระทั่งจิตมันเป็นผู้รูนะ้ผู้รู้โดยที่ไม่ได้บังคับไว้ใจไม่ล่องลอยไปแล้วก็ไม่ได้บังคับไว้ พอใจเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วค่อยๆดูแยกขันวิธีแยกขันนี่ไม่ใช่เรื่องยากเย็อะไรอย่างขณะนี้นั่งอยู่นะก็แค่รู้ว่าเนี่รูปมันนั่งอยู่นะใจของเราเป็นคนดูร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูนะ ไ, ไม่จะแยกกายส่วนกายใจส่วนใจร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรูนะ้อย่างนี้เรียกว่าหัดแยกขันขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหม ใครไม่รู้ว่านั่งอยู่ยกมือซิศึกษาจิตแพทย์เลยนะถ้านั่งอยู่แล้วยังไม่รู้ว่านั่งอยู่เนี่ยมันเรื่องธรรมดาที่สุดเลยเราคิดว่าการปฏิบัตินะจิตใจเราต้องผิดมนุษย์จิตใจต้องผิดปกติไม่เหมือนคนปกติ ท, ทั้งที่จริงๆแล้วใช้ใจที่ปกตินี่แหละปฏิบัติไปเห็นไหมจิตมันมีความเบิกบานขึ้นมาตัวนี้แหละคือตัวจิตผู้รู้แหละ ตอนนี้เป็นจิตผู้เพง่งรู้ไหมเออแยกให้ออกพอมีจิตผู้รู้แล้วเห็นไหมร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันโยกเยกโยกแ ย, ยกอย่างเงี้ยร่างกายที่นั่งอยู่ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยอย่างเนี้ยค่อยดูอย่างนี้นะมันจะขึ้นวิปัสสนาไปจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้คือเห็นอนัตตา เราเห็นมันเคลื่อนไหวหายใจออกแล้วก็ดับไปหายใจเข้าแล้วก็ดับไปนี้เห็นอนิจจังนะเห็นว่ามันนั่งอยู่เงี้ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะเนี่ยเพราะว่าทําไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะมันมีทุกข์มันถูกบีบขั้นนะแล้วก็ตัวที่เคลื่อนไหวตัวที่หยุดนิง่งไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นวัตถุธาตุที่เคลื่อนไหวหยุดนิง่งตามที่จิตมันสั่ง มันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นวัตถุทีนี้เห็นอนัตตาแม้ว่าบับพพะทั้งสามเนี่ยมันแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราดูแต่ไม่ใช่ว่าหายใจออกหายใจเข้าแล้วจะดูทุกขังอนัตตาไม่ได้นะแต่ว่าหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยตัวที่โชว์เด็ ด, ด, ดขาดเลยชัดๆัดเลยหายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยง นะเวลานั่งอยู่เนี่ยรู้สึกไหมนั่งเหนือก็ต้องเปลี่ยนอิรยาบถ ท, ทำไมต้องเปลี่ยนอิรยาบถเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นมันนะมันถูกบีบคั้นตัวที่บีบคั้นเรียกว่าทุกขตาความบีบคั้นะส่วนตัวสัมปชัญญะเห็นรูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งอะไรเงี้ยรูปมันเคลื่อนไหวรูปมันหยุดนิ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอันนี้เรียกว่าอนาตาัตตา เนี่ยค่ยรู้ค่ยดูไปแต่ไม่ใช่เห็นรูปเคลื่อนไหวแล้วไม่เห็นอ น, นิจจงนะมัคนควเห็นรูปเคลื่อนไหวแต่เห็นอ น, นิจจงเห็นทุกขังก็ได้นะใน ต, ตัวที่มันตรงตรงเลยมันเรียงลําดับมาเลยนะที่พระพุทธเจ้าจัดลําดับไว้เนี่ยมันเรียงอ น, นิจจงทุกขังอนัตตามันเคยมาออกไหมถ้าดูรูปเรื่อยๆ็นเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยหายใจออกหายใจเข้าเนี่ย ดูไปเรื่อยๆเห็นหายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงนะยืนเดินนั่งนอนล้วนแต่ทุกทั้งนั้นนะเคลื่อนไหวหยุดนิ่งตัวที่เคลื่อนไหวตัวหยุดนิ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะมันมีมุมมองที่มองง่ายนะแล้วดูเข้าไป้ดูจิตใจท่านะนแรกก็แยกให้ออกแยกขันให้ได้ก่อนในทางนามธรรม ความสุขความทุกข์มกไม่ใช่จิตความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่คือการแยกขันกอกุศลนอกุศลโลภโกรดหลงอะไรเงี้ยไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าไปรู้เข้างั้นมันจะแยกระหว่างโลภโลกรดหลงคือตัวสังขารกับจิตที่เป็นคนดูอย่างนี้เรียกว่าแยกขันการแยกขันเนี่ยจะแยกกายกับจิตก็ได้เวทนากับจิตก็ได้สังขารกับจิตก็ได้อย่างนี้ต้องมีจิตอยู่ตัวหนึ่ง จะแยกกายกับเวทนาเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะภาวนาต่อไม่ได้เพราะกุญแจที่จะไขธรรมะในใจเราคือจิตเนันต้องมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเราได้มาด้วยการฝึกนะฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนไม่ประคองไว้ก็จะได้จิตผู้รู้ได้จิตผู้รู้แล้วแยกขันแยกขันแล้วดูใจลักษณของสภาวะแต่ละตัว ภาวะแต่ละตัวก็แค่นี้แหละเห็นที่ยากเลยยากไหมมันยากตั้งแต่จิตตั้งมั่นแล้วถ้าจิตตั้งมั่นแล้วที่เหลือง่ายแล้วจิตตั้งมั่นเป็นกลางที่เหลือจิตเป็นคนดูแล้วไม่ต้องทำอะไรแต่กว่าจิตจะตั้งมั่นกว่าจิตจะเป็นกลางเนี่ยฝึกกันหนักหนะึ่งเพราะจิตของเราไม่เคยตั้งมั่นจิตของเราไม่เคยเป็นกลาง ยินงเราคลอนแคลนโครงเคร่งตลอดมันตลอดคืนแล้วก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างตลอดเวลานี่เป็มาฝึกอะไรที่มันฝืนมากเลยฝึกของที่คลอนแคลนเนียให้ตั้งมั่นฝึกของที่หลงยินดียินร้ายทั้งวันนีให้เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายต้องฝึกวิธีฝึกให้ตั้งมั่น คือรู้ทันกว่าไม่ตั้งมั่นแล้วจิตจะตั้งมั่นเองวิธีฝึกให้พ้นจากความยินดียินร้ายคือรู้ว่าจิตยินดีรู้ว่าจิตยินร้ายและความยินดีนร้ายดับไปจิตก็เป็นกลางเองเราทำจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้นะแต่เรารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นพอมันเลิกที่จะไม่ตั้งมั่นมันก็ตั้งมั่นเอง เราสั่งจิตไม่ให้ยินดียินร้ายไม่ได้แต่ว่ามันยินดียินร้ายแล้วเรามีสติรู้ทันมันจะเป็นกลางเองงั้นเราทำอะไรไม่ได้หรอกแต่เราไม่ทำผิดซะแล้วมันก็ถูกเองไม่ฟุ้งซ่านมันก็สงบก็แค่นั้นเองไม่ยินดียินร้ายมันก็เป็นกลางก็แค่นั้นเองรู้ทันในตรงที่ผิดแล้วมันถูกได้จิตตั้งมั่นแล้วแยกขันไป แยกขันได้แล้วให้เห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ดูซ้ําแล้วซ้ําอีกไปบางคนเรื่เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรก็แล้วแต่บุญวัสนาเจ็ดเดือนก็มีนะเจ็ดวันก็มีวันเดียวยังมีเลยแต่ยุคนี้ยังไม่เห็นสมัยพุทธกาลมันบอกมีวันเดียวก็มี อย่งพระภาหิยะฟังเทศอยู่ไม่กี่ประโยคมันรู้พระอรหันต์ได้ซ้ำไปของเราฟังหลวงพ่อเทศมาสามปีแล้ววันนี้จิตตื่นขึ้นมาก็บุญแล้วล่ะนะอินรียมันอ่อนว่ากันเยอะนะทุกวันนี้สิ่งยั่วยุมันเยอะสิ่งที่ยั่วกิเลสเยอะแยะไปหมดเลยเราเต็มใจให้มันยั่วด้วยวันๆนะเล่นแต่มือถือนะคุยกันก็ไม่เป็นแนละ้วเดี๋ยวนี้ ต้องขีคุยกันด้วยตัวหนังสือมันพูดภาษามนุษย์ไม่เป็นหรือไ ง, งก็ไม่รู้เนะขีกันเจ้ะแคกเจอะแยะหลวงพ่อเคยเจอนะในวัดนี้แหละนะแล้วก็ยังอยู่ในห้องนี้ด้วยสองคนนะันั่งอยู่ใกล้ๆกันนะน้ากับหลานนะเขานั่งขีอะไรกันอยู่คนละอันนะ มือถือหลวงพ่อถามว่าทำอะไรอ่ะเขาบอกคุยกันคุยกับใครอ่ะหรือาบอกคุยกับหลานคนนี้นะมันมนั่งติด ก, กันนะต้องคุยผ่านผ่านมือถือเนี่คนยคนยุคนี้พูดไม่เป็นใช้เขียนเอาวันวันนั้นใจบอกข้างนอกตลอดภาวนาไม่ขึ้นนะ เมื่อพวกเราขยันภาวนาไปก่อนอย่าเพิ่งไปเล่นมือถือเยอะนักเอาไว้ได้อนาคาแล้วหลวงพ่อจะไม่ว่านะเพราะมันไม่หลงโลกแล้วนะไม่ได้อนาคาก่อนอยากไปเล่นมือถือยังไม่ว่าเลยถ้านะยังไม่ได้ว่าแน่นอนเลยนะมันทําให้เราพัฒนาไม่ไดนะ้อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะบอไม่เห็นผิดศีลตรงไหนเลย นั่งคีอะไรทั้งวันเนี่ยนะมันก็เหมือนพูดทั้งวันอนะ่ะพูดเพอร์เจอร์เนนียกระดิกนิ้วเพอร์เจอร์นะแอพลายผิดศีลข้อสี่ได้นะทำผิดไดนะ้งั้นทำตัวให้โปร่งเบาไว้นทำตัวมีภาระอะไรมากหม่นะถือศีลไปตั้งใจงดเว้นบาปทางกายทางวาจา ทางใจเราก็ฝึกเอาฝึกสมาธิก่อนให้ใจตั้งมั่นเป็นกลางถัดจากนั้นเจริญปัญญางานทางใจมีสองงานสมาธิกับปัญญาฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาศีลรักษาไว้ก่อนตั้งใจงดเว้นบาปทางกายทางวาจาส่วนงานทางใจนี่คือสมาธิกับปัญญามีสองส่วนสมาธิฝึกให้ได้ตัวผู้รู้ขึ้นมา ปัญญาใช้ตัวผู้รู้เนี่ยไปดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายที่มันปรากฏเป็นปัจจุบันที่มันกำลังปรากฏอยู่เนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นมรรคผลไม่ลาสมัยนะไม่ใช่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็หมดไปไม่ใช่ หลังจากพุทธเจ้านิพานไปก็ยังมีพระอรหันเกิดขึ้นอีกองค์หนึ่งที่มีหลักฐานก็คือพระอ น, นุนพระอนุนเป็นพระอรหันหลังจากนิพานพุทธเจ้านิพานแล้วนะก็มีครูบาอาจารย์ถ่ายทอดธรรมะสืบทอดกันมาเรื่อยๆนะมาถึงรุ่นเราเนี่ยในเมืองไทยเราหนะลวงปู่มั่นท่านคนกว๊าได้กุญแจของการภาวนามา คือรู้จักพุโทโธพุธโทโธก็คือตัวจิตผู้รู้นั่นเองท่านได้ตัวจิตผู้รู้มาเนี่ยท่านก็เดินปัญญาต่อแยกธาตุแยกขันไปนที่หลวงพ่อสอนเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะหลวงพ่อเรียนมาจากหลวงปูดุลเรียนจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าหลายองค์ครูบาอาจารย์เหล่านั้นเรียนมาจากหลวงปู่มั่นมาอีกทีหนึ่งเงั้น ไม่ใช่ของใหม่ของธรรมดาแต่พวกเราหลงลืมไปนั่นทีแรกให้ได้ตัวพุทธโธกันนะได้ตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนั่นแหละมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานค่อยๆฝึกไปสมควรแค่เวลาเทศยี่สิบห้านาทีวันนี้เทศหลายรอบแล้ว เอาสั้นหน่อยเดี๋ยวเตรียมตัวอ้าวพระหายไปไหนไปห้องน้ำหรืออะไรเหลือนกชนกระจกที่ม่วัดหลวงพ่อนะมีกระทั่งพระสัตวแพทย์อ้าวพวกที่ไปดูไม่ใช่สัตวแพทย์สโกงหนึ่ง แต่ตอนวัดแพท น, นั่งช่วยอูเบกขาเอาเตรียมไว้ไหว้พระทำอะไรต่อจานะสวดมนร้อนไหม ที่นี่อุณหภูมิสามสิบองศาต้นต้นตัวเราร้อนกว่าตัวเราร้อนกว่าอากาศที่นี้แถวกุฏิหลวงพ่อเย็นกว่าตรงนี้สองสามองศาต้นไม้เยอะเวียนเทียนเป็นการปฏิบัติบูบชานะอย่ยมองแค่อามิสบูชามีดอกไม้ทูปเทียนมาบูชาถ้าคิดว่า บูชาด้วยดอกไม้ทุกเทียนเนีเป็นอามิสบูชาบูชาด้วยวัตถนะุที่จริงแล้วถ้าเราเดินเวียนรอบรอบศาลาใจเราะระลึกถึงพระพุทธเจ้าอะไรยเงี้ยมันเป็นปฏิบัติบูชาได้บุญที่สูงกว่ากันบางทีบางคนไม่มีดอกไม้ทุกเทียนมือเปล่าเปล่านี่รู้จักวางใจให้ถูก เรากําลังปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าอยู่ได้บุญเยอะนะได้บุญเยอะกว่าพวกที่มีดอกไม้แล้วภูมิใจว่าดอกไม้ฉันสวยของคนอื่นอะไรเงี้ยอย่างนี้มันเจือกิเลสนะการบูชาด้วยอามิสบูชาเนี่ยเป็นการบูชาขั้นต้นๆ้ น, น, นเบื้องต้นการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่แท้ จ, จริงงั้นเราพยายาม ทุกวันไม่เฉพาะเวลาเราเวียนเทียนเราปฏบิบัติบูชาทุกวันเลยทุกก้าวที่เราเดินมีความรู้สึกตัวเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าจะเดินจงกรมหรือจะไปเดินช็อปปิง้งก็เดินด้วยความรู้สึกตัวแต่เดินจงกรมมันง่ายกว่าเดินช็อปปิง้งเดินชอปปิง้งกเดี๋ยวเดีย ว, ยวสติก็แตก ที่เราโลภอยากได้น่้นได้นี่งั้นทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวนะเราปฏิบัติอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้าเรามีสติงั้เราปฏิบัติอยู่งั้นอย่าให้การบูชาพระพุทธเจ้าจบลงแค่การเวียนเทียนมันตื้นเกินไปไม่สมกับที่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้างั้นทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าไม่ต้องทํางานที่ต้องใช้ความคิดก็ไม่ได้นอนหลับสองงานเท่านั้นทํางานที่ต้องคิดกับนอนหลับทุกลมหายใจเข้าออกนั้นนั่นคือการปฏิบัติถ้าเราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยวิธีที่หลวงพ่อบอกเนี่ยทําได้ทั้งวันมักผลจะไปไห น, ใ, นใจเราจดจ่ออยู่กับพระพุทธเจ้าสมาธิมันก็เกิด แล้วเราเคลื่อนไหวเรารู้ส sure, ึกเคลื่อนไหวรู้สึกนะสุดท้ายปัญญาก็เกิดอะไรที่เคลื่อนไหวก็มีร่างกายเคลื่อนไหวก็จิตใจเคลื่อนไหวงั้ร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกสุดท้ายปัญญามันเกิดตัวนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปัญญาสูงสุดก็คือการเห็นว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นะปัญญาขั้นต้นคือเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา ถ้าเห็นไม่ใช่ตัวเราของเราได้โสดาบันเป็นผู้เที่ยงที่จะได้เป็นพระอรหันต์ในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเราสามารถเห็นได้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์จะปล่อยวางความยึดถือที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงที่ปล่อยวางทุกข์นั่นแหละค่อยๆฝึกไปวันนี้สมควรแก่เวลานะเดี๋ยวเราได้ปฏิบัติบูชาละเราจะ อุทีส่ส่วนบุญส่วนกุศล น, นะพระท่านจะนำไม่ได้นำพระท่านจะสวดพวกเรากําหนดจิตแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลของเราไปจะให้ใครก็ให้ประทับ น, นิมนต์ ว่ากายตาจงมีวันมีต้อมมีสุขิอัตตานำไปนารามีสาเหาตสุขิภูมุสาเุชตาเวราภูมิ สัตย์สัตว์อะไรปัจฉะมุขสัต t ์สัตว์นิทานมุขสัตย์สัตว์สุขีอาการนันปาริมาณตุสัตย์สัตว์สบารุต้าปามุจฉุ สัพเพชาติรัตตสันปะติโตนาวิคัณฑูสัพเพ n าติกรรมส t พเพก n รมราญกรรมยมิกกรรมขันธุกรรมปิสารัน ยังก ah ัรมการริษานติกัรลียนว่ากัรว่าอาศัยาติาวิสันติทาเวราสุขชีวิโมองสัตยั้งหายตงเป็นผู้ไห้มีเวทา่กัน เป็นผู้ดโรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเธอจัดจังคุญยาณบาลไม่นั้นสเกตากีก็วันดุเตงขอสัตวทังสิ่งนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยอุ่นบุญนั้นถ้าพระเจ้าได้บังเพลินเทนั้นเธอ เราเสร็จ so ภารกิจนะแต่พระยังมีภารกิจต่ออีกเดี๋ยวต้องมีอุโบสถต้องฟังปฏิโมกต่อนะพวกเราก็ามีภารกิจไปกินข้าวกันไปนะไปเที่ยวต่อเฮฮาเนี่ยพูดอย่างเนี้ยไม่ได้แนะนำนะนะแต่รู้สไตล์นะเชิญมีความสุขความเจริญนะ ธรรมะคุ้มครอง